สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านที่ท่านกำลังติดตามรับฟังอยู่นี้คือรายการแสงเทียนเสียงธรรมดำเนินรายการโดยดิฉันเพนสีอินทรัตรดิฉันได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์ดรสุทธศาอ่อนค้อมส่งหนังสือธรรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรื่องที่6คือความหลังในสังสาร เนื้อหาสาระก็เป็นเรื่องต่อเนื่องจากความหลงในสงสารซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ฟังให้ความสนใจมากอีกเรื่องหนึ่งดิฉันได้รับโทรศัพท์มากมายจากผู้ฟังที่ทวงถามมาตลอดเวลาว่าเมื่อไหร่จะได้รับฟังความหลังในสังสารสักทีรอมาตั้งนานแล้วดิฉันก็ได้ตอบท่านผู้ฟังไปว่าท่านอาจารย์กาลังเขียนอยู่ค่ะน่าจะเสร็จในเร็ววันนี้และบัดนี้ ดิฉันก็ได้รับหนังสือความหลังในสังสารจากท่านอาจารย์แล้วจึงได้รีบนำมาอ่านทันทีเมื่อตัดต่อมิกเสียงเสร็จแล้วก็จะได้นำส่งออกอากาศเผยแผ่เป็นธรรมทานทางสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาที่ดิฉันนำออกอากาศอยู่แล้วร้อยกว่าสถานีทั่วทุกภาคและวันนี้โอกาสนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังความหลังในสังสารค่ะ